บทที่21พยาบาทนิวรเสียงด่าหม้าแมวดังลั่นวัดแต่เช้าหลังจากวันที่นางบุญรับเข้ามาช่วยทำครัวบรรดาอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนพระสม์องค์เนนที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่ามะม่วงมีอันต้องกำหนด ได้ยินหนอได้ยินหนอกันวันละหลายๆครั้งพระนางบุญรับแกสามารถด่าได้หลายเวลาต่อวันพระโยเฮียวกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีอันต้องกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอแทนการกำหนดพองยุบกำหนดอยู่นานก็ไม่อาจระงับความรุ่งซ้านรำคาญลงได้ไม่ชอบหน้าแม่ครัวผู้นั้นเป็นทุนอยู่แล้ว ครั้นมาได้ยินเสียงแ ก, กลาดแสบแก้วหูเช่นนี้เข้าอีกความไม่ชอบซึ่งเป็นโทสะอ่อนๆนั้นก็เพิ่มระดับขึ้นจนกลายเป็นความเกลียดชังและอาฆาตมาตร้ายพระนุมรู้สึกเกลียดผู้หญิงที่ชื่อบุญรับไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงเกลียดเกลียดเหลือเกินแล้วในที่สุดท่านก็เลยนั่งกำหนดเกลียดหนอะเกลียดหนอ ไปจนถึงเวลาหกโมงเช้าออกจากสมาธิแล้วก็เตรียมตัวออกบินทบาทแม้แต่เดินห่างวัดออกไปจนแม้จะเดินห่างวัดออกไปจนเสียงด่าตามมาไม่ถึงหากก็ยังรู้สึกว่ามันก้องอยู่ในโสตประสาท ต, ตลอดเวลาจิตของท่านรู้สึกถูกพยาบาทนิวรณ์เข้ากลุ่มรุมโดยที่จะตัวไม่ได้ทันระแวดระวัง คิดเคียดแค้นจริงชางนางบุญรับไปตลอดทางจนลืมกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายยามเยื่องย่างเวลาเจ็ดนาฬิกาเศษท่านพระครูกลับจากบิณฑบาตกำลังเดินเข้าประตูวัดมารถกระบะสีน้ำตาลคันหนึ่งก็วิ่งแสงหน้าท่านมาจอดที่ลานวัดยังไม่ทันได้ดับเครื่องเด็กหนุ่มผิวคล้ำหน้าตาคมสัน ก็ลงมานั่งเด็กหนุมผิวคล้ำหน้าตาคมสันก็ลงมาที่นั่งคนขับปีนขึ้นไปที่หลังรถเปิดท้ายแล้วผลักด้วยเทา้าสุนัขสิบกว่าตัวที่ยืนหน้าสลอนอยู่ท้ายรถลงมาจนหมดปิดท้ายรถเรียบร้อยจึงกระโดดลงมาก้าวเข้าไปนั่งประจำที่คนขับแล้วออกรถ ท่านพระครูรีบโบกมือเรียกช้าก่อนพ่อหนุ่มเดี๋ยวหยุดคุยกันก่อนพ่อหนุ่มเบรกรถดังพลืดโโป่หน้าคมคายออกมาถามว่ามีอะไรเหรอครับเขาไม่ทำความเคารพซึ่งท่านพระครูก็เข้าใจและรู้ว่าเป็นธรรมเนียมของคนมุสลิมที่จะไม่เคารพผู้ใดหรือสิ่งใด นอกจากพระเจ้าสูงสุดคืออัลเลาะห์เท่านั้นมาจากไหนล่ะเธอน่ะทำไมถึงได้ขนหมามาปล่อยที่วัดนี้ท่านถามยิ้มยิ้มผมมาจากชวัยมะใช้ให้อามาปล่อยเพราะมันกัดแพะเจ้าหมาพวกเนี้ยเราไม่ได้เลี้ยงมันมากันเองมะเลยเอามาปล่อยผมเป็นมุสลิมคนมุสลิมเขาไม่เลี้ยงหมาครับ เด็กนมอธิบายมะเป็นคําที่มุสลิมใช้เรียกมารดาของตนอ๋อและทําไมมาไกลถึงที่นี่จากชวไยมาที่นี่มันผ่านวัดมาเป็นร้อยต้องมาถึงที่นี่ให้เปลืองน้ํามันทําไมละ่ะมะกําชับมาครับบอกว่าให้เอามาปล่อยที่วัดป่ามะม่วงมันจะได้ไม่ถูกคนรังแกมะว่าเจ้าของวัดนี้เขาใจดี มันจะมีความสุขกว่าอยู่ที่อื่นถึงมัจะเกลียดพวกมันแต่ก็ไม่อยากเห็นพวกมันถูกรังแกครับ อ, อ่ออย่า ง, งานั้นหรอกรึงั้นกลับไปบอกมะเธอด้วยนะว่าหลวงพ่อวัดนี้สั่งให้เอามาปล่อยอีกหลายๆคันรถรับรองว่าอยู่วัดนี้แล้วปลอดภยัยท่านตั้งใจประชดแต่ว่าชายหนุ่มไม่รู้จึงตอบไปว่าครับ และผมจะบอกมาตามนี้พูดจบก็ออกรถอย่างรวดเร็วมิร่ำลาท่านพลครูมองตามรถพางสายหน้าช้าๆวัดนี้ไม่รู้เป็นอะไรแมวมาหาหมามาสูมิได้ขาดเมื่อวันก่อนก็มีคนเอาแมวใส่กระสอบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาปล่อยจนวัดแทบจะกลายเป็นที่อยู่ของสัตวสาราสิงไปแล้วนายสมชาย ซึ่งฮิวเป็นโตเดินมาทันท่านที่ลานวัดพูดขึ้นว่าเข้าเอาหมามาปล่อยอีกแล้วเหรอครับหลวงพ่อทําไมถึงต้องมาปล่อยวัดนี้ก็ไม่รู้วัดอื่นก็มีถมเถไปไม่ไปปล่อยเด็กหนุ่มตําหนิไกลๆเขาว่ามันจะได้ไม่ถูกกรังแกท่านพระครูอ้างเขาว่าไม่ถูกยังไงได้ ยายบุญรับตีมันทุกวันผมเนี่ยหนุกหูจะแย่อยู่แล้วเมื่อไหร่ยเนี่ยจะไปไปสักทีก็ไม่รู้เขาบนถึงคู่ติท่านพระครูวางบาทลงแล้วเข้าไปล้างมือล้างเท้าจนสะอาดหมดจดเช็ดให้แห้งก่อนลงมือฉันอาหารที่ลูกศิษย์ จัดไว้สำหรับรอท่าฉันเสร็จจึงเข้าไปล้างปากแปลงฟันซึ่งหมายความว่าสิ้นสุดการบริโภคสำหรับวันนี้จากนั้นจึงมานั่งยังอาศนะประจำของท่านรู้ว่าพระบวัวเฮียวจะต้องมาให้สอบอารมณ์หลวงพ่อครับผมแย่แล้วลูกศิษย์รายงานทันทีที่มาถึงและกราบอาจารย์แล้วทั้งที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศิษย์ หากท่านพระครูก็ต้องถามไปตามมารยาทว่าแย่ยังไงไหนว่าไปสิผมเกลียดยายบุญรับจนปฏิบัติไม่ได้จิตมันตกจนดึงไม่ขึ้นทำยังไงดีล่ะครับหลวงพ่อถามอย่างรู้สึกทุกข์ร้อนนั่นแหละพยาบาทนิวรนกำลังครอบงำเธอทำไมไม่ใช้โยนิโสมนาสิการขาจัดมันเสีย ปล่อยให้มันระรานอยู่ทำไมคนเป็นสิทธิ์ไม่ตอบโดยไม่รู้จะตอบอย่างไรอาจารย์จึงขยายความต่อไปว่าการละพยาบาทนิวรต้องใช้โยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตต์ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิษุทั้งหลายเจโตวิมุตต์มีอยู่ การทำให้มากซึ่งโยนิสโสมานสิกการในเจโตวิมุตินั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นวิธีปฏิบัติก็เช่นเดียวกำหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์การประกอบหนึ่งเนืองซึ่งเมตตาภาวนาการพิจารณาถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นต้น ท่านมองหน้าลูกศิษย์รู้ว่าฝ่ายนั้นยังไม่เข้าใจจึงถามขึ้นว่าจะต้องให้แจกแจงในรายละเอียดไหมก็ดีเหมือนกันครับเพราะผมรู้แต่หลักการส่วนรายละเอียดยังทราบไม่ซึ้งนักถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีการเจริญเมตตาหรือการแผ่เมตตานั้นลาดับแรกต้องแผ่ให้ตัวเองก่อน ทำไมต้องให้ตัวเองก่อนล่ะครับก็เราไม่ได้เกลียดตัวเองเราเกลียดคนอื่นก็ควรจะแผ่ให้คนที่เราเกลียดพระโมยเยวแยง้งท่านพระครูจึงแกล้งว่าการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเพราะเท่ากับทำตัวเราให้เป็นพยานว่าตัวเราเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์อยากอยู่ไม่อยากตายฉันใด คนอื่นๆหรือว่าสัตว์อื่นๆก็ฉันนั้นแต่ถ้าเราอยากตายไม่อยากอยู่ละครับพระยวนเริ่มยวนท่านพระครูต้องปราบว่าขอทีขอทีอย่าชักใบให้เรือเสียเธอละกอดชอบออกนอกลู่นอกทางเสียเรื่อยครับครับผมไม่ออกก็ได้ครับนิมนต์หลวงพ่อเทศต่อผมไม่ขัดแล้วครับเมื่อลูกศิษย์นิมนต์ อาจารย์จึงแสดงธรรมต่อไปว่าโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็รักตัวเองด้วยกันทั้งนั้นดังมีพุทธพจน์แสดงไว้บุคคลตามค้นไปด้วยใจตลอดทุกทิศก็ไม่ได้พบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนที่ไหนๆเลยฉันใดตนของคนอื่นๆก็ย่อมเป็นที่รักของเขามากฉันนั้นเพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละถึงต้องให้แผ่เมตตาในตนเองก่อนไหนเธอแผ่เมตตาให้ตัวเองเป็นหรือเปล่าลองว่าให้ฟังสักหน่อยสิหลวงพ่อจะเอาแบบบาลีหรือแบบไทยล่ะครับเอาทั้งสองแบบนั่นแหละงั้นก็เอาบาลีก่อนและตามด้วยไทยนะครับพระหนุ่มกรแอมแก้เขิน และจึงท่องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าอหัง ah ส an ุขิโตโหมินิทุโคโหมิอเวโรโมิอพยาปัจโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอตนางปริหารามิขอข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขเถิดขอข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวณมีภัยเลย ขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอข้าพเจ้าจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดดีมากจำแม่นดีเอาละเอาละเมื่อแผ่เมตตาให้ตนเองเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้นก็แผ่เมตตาให้ผู้อื่นตั้งแต่บุคคลที่รักมาก บุคคลกลางๆคือไมอ่รักไม่ชังไปจนถึงบุคคลที่เป็นศัตรูแต่ถ้าแผ่เมตตาให้ศัตรูแล้วเกิดโทสะขึ้นก็ให้ปฏิบัติตามวิธีระ ง, งับความโกรธที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ซึ่งมีถึง9ก้าวิธีแต่ถ้าใช้ทั้ง9ก้าวิธีแล้วยังไม่หายโกรธล่ะครับก็แสดงว่าคนคนนั้นกิเลสนาตัณหามาก จนไม่อาจจะรับฟังคำสั่งสอนได้ก็ตัดหางปล่อยวัดไปถือว่าเป็นพวกบัวติดโคลนตมที่เรียกว่าปทะปรมะและคนที่ไม่มีหางจะให้ตัดได้อย่างไรล่ะครับอย่างผมเนี่ยตอนเกิดแม่ก็ไม่ได้ให้หางมาด้วยพระยวนอดยวนไม่ได้บัวเหี่ยวรู้สึกว่าเธอจะถนัดทะเลทลายแท้จริงชนะ ฉันจะว่าเธอยังไงถึงจะเจ็บแสบจะได้จดจำเสียท่ทานพระครูว่าให้ถ้าจะว่าใครให้เจ็บแสบก็ต้องว่าเดี๋ยวเอามิโกนบาทแล้วก็ลาดด้วยทิ้งเจอรับรองว่าทั้งเจ็บทั้งแสบเจ้ครับพระบุยเหียวเสนอแนะความสุขของท่านก็คือการด้วยย่วพระอุปชาอยากเห็นท่านโกรธเพราะท่านไม่เคยโกรธให้เห็น เขาว่ากันว่าคนเป็นพระอรหันต์จะไม่โกรธหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถ้างั้นฉันก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือแล้วนะจะไม่บอกเธอหรอกว่าวิธีระ ง, งับความโกรธที่พระพุทธองค์ทรง ส, งสอนไวนะ้น่ะมีอะไรบ้างจะปล่อยให้เธอเกลียดเยบุญรับให้เธอถูกไฟโทสะแผดเผาให้ไหม้เกรียมกรอบเป็นปลาย่างไปเลย ท่านต่อว่าต่อขานยืดยาวแต่คนเป็นสิบก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้โกรธเพราะหน้าท่านไม่บึง้งเสียงที่พูดก็ไม่เกลียวกราดอย่างเสียงใหญ่บุญรับแม้หลวงพ่อก็ผมพูดเล่นๆก็ทำใจน้อยไปได้นิมนต์สาธยายต่อเถอะครับผมไม่ยั่วแล้วแน่นะเอาละงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดี การปฏิบัติเพื่อระ ง, งับความโกรธวิธีแรกก็คือให้ระลึกถึงโทษของความโกรธว่าความโกรธนั้นให้โทษโดยประการต่างๆหาคุณไม่ได้เลยถ้าคนเข้ามาโกรธเราแล้วเราโกรธตอบเราก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเลวซี่งกว่าคนที่โกรธก่อนนั่นอีกผู้ที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธตนก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงคราม ผิดแสนชนะยากฉะนั้นถ้าเธอโกรธยายบุญรับก็แปลว่าเธอเลวกว่ายายบุญรับเสียอีกถ้าลองวิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลก็ให้ใช้วิธีที่สองคือให้เราลึกถึงความดีของเขาธรรมดาคนเรานั้นว่ากันโดยทั่วไปแต่ละคนแต่ละคน ก็ต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีอยู่ในตัวเราก็คิดถึงแต่ในส่วนดีของเขาส่วนที่ไม่ดีอย่าไปคิดถ้าหาส่วนดีของเขาไม่ได้จริงๆก็ให้นึกสงสารเขาคิดซสีว่าโทน่าสงสารต่อไปคนคนนี้จะต้องประสบผลร้ายต่างๆเพราะความประพฤติไม่ดีอย่างนี้นรกอาจรอเขาอยู่เมื่อคิดได้อย่างนี้ ก็จะระ ง, งับความโกรธเสียได้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ลองวิธีที่สามคือให้คิดถึงความจริงที่ว่าการโกรธคือการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คนที่โกรธแล้วเป็นสุขนั้นไม่มีในโลกเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็ต้องไม่โกรธเพราะเรื่องอะไรจะไปทำให้ตนเองทุกข์จริงไหมจริงครับ แล้วถ้ายังไม่หายกโกรธจะทำอย่างไรอีกครับก็ใช้วิธีที่สคือให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมที่มีความโกรธเป็นเหตุนั้นมันรังแต่จะทำความเสื่อมเสียให้กับตัวเราเพราะทั้งเราทั้งคนอื่นๆต่างก็มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัย เราทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นและกรรมที่เกิดจากความโกรธนั้นจะทำให้บรรลุความหลุดพ้นก่อหาใหม่จะช่วยให้ได้ทิพยาสมบัติหรือมนุษย์สมบัติก็หาใหม่มีแต่จะทำให้ตัวเองตกตามลงไปจนถึงกับตกนรกหมกใหม่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็ไม่ควรที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นในตัวเราแต่ถ้ายังไม่หายโกรธอีกก็ให้ลองวิธีที่หคือให้พิจารณาพระจริยวัตรในปางก่อนของพระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าจะตรัสรู้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายมาตลอดเวลายาวนานได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยยอมเสียสละแม้แต่พระชนชีพของพระองค์เองเมื่อทรงถูกข่มเหงกลั่นแกล้งเบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ทรงแค้นเคืองทรงเอาดีเข้าตอบถึงเขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูขนาดพยาบาทปลงพระชนก็ไม่ทรงมีจิตปทุศร้ายซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีปรากฏในชาดกเช่นเรื่อง มหาศีละวะชาดกมหากปิชาดกเป็นต้นเธอสามารถไปอ่านเองได้หัดอ่านเสยบ้างจะได้หูกว้างตากว้างขึ้นไม่ใช่ดีแต่ปากกว้างเอาแต่กินอย่างเดียวท่านแกล้งเน็บแหนมเดือรู้ว่าคนเป็นสิทธิ์ติดในรถครับและผมจะไปหาอ่านต่อวิธีที่หกเถอะครับ พระโบวเหียวไม่ตอกลอนเพราะกลัวจะเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีที่หให้พิจารณาถึงความที่เคยเกี่ยวข้องกันในวัตาสงสารดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตร ไม่เคยเป็นที่ดาของเรามิใช่หาได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเคยเกี่ยวข้องกันมาในอดีตชาติมิชาติใดก็ชาติหนึ่งอย่างยายบุญรับก็อาจจะเคยเป็นแม่หรือพี่สาวหรือว่าน้องสาวเธอในอดีตชาติชาตินี้ได้มาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ควรใจร้ายต่อเขา แต่ถ้าใจร้ายต่อผมล่ะครับอันนั้นมันก็เรื่องของเขาถ้าตัวเราไม่ผูกเวนเวนมันก็จะระ ง, งับลงไปได้ในส่วนของเราถ้าเขาโกรธเขาก็เป็นทุกข์ส่วนเราไม่โกรธเราก็ไม่ทุกข์ที่ยเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมครับเอออันนี้ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะไม่เคยตบตั้งแต่บวชมานี่ยังไม่เคยตบมือ ไม่ว่าจะข้างเดียวหรือว่าสองข้างก็ไม่เคยท่านพระครูนึกสนุกจึงพูดยวนกับคนยวนดีแล้วครับหลวงพ่อทำถูกแล้วเป็นพระเป็นเจ้าขืนตบมือตบไม้ศีลก็จะเปื่อยหมดเท่านั้นคนยวนตอบเอาละเอาละพอแล้วพูดเลอะเลือนล่ามป้ามไปมันจะไม่ดี ทีนี้ก็มาว่ากันถึงวิธีที่7คือพิจารณาอานิสง์ของเมตตาความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมายชั้นใดเมตาก็มีคุณก่อให้เกิดผลดีมากฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะระงับความโกรธเสียแล้วก็ตั้งจิตเมตตาขึ้นมาแทนให้เมตานั่นแหละช่วยกำจัดและป้องกันความโกรธไปในตัว ผู้ที่มีเมตตาย่อมสามารถเอาชนะใจคนอื่นซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กรับแพ้ผู้ตั้งอยู่ในเมตตาก็ชื่อว่าทาประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงสแสดงอนิสงค์ของเมตตาไว้สิบเอ็ดประการคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดารักษาไฟพิษหรือว่าศาสตราไม่กล่ำกลายจิตเป็นสมาธิเร็วผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายและประการสุดท้ายคือเมื่อยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูงก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นอย่างต่ำแล้วถ้ายังไม่หายโกรธล่ะครับ ก็ให้ลองวิธีทิ่8คือพิจารณาโดยวิธีแยกธาตุวิธีนี้เป็นการพิจารณาระดับปรมัติ์เข้าใจยากฉันจะอธิบายให้เธอฟังในตอนนี้ให้เธอปฏิบัติได้สูงพอสมควรเสียก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนี้พูดไปเธอก็ไม่เข้าใจเอาละฉันจะรวบรัดไปถึงวิธีสุดท้ายเลย คือพิจารณาทำสังควิภาคการทำสังควิภาคก็คือการให้ของของตนแก่ศัตรูและรับของของเขามาเพื่อตนแต่ถ้าของของเขาไม่บริสุทธิ์ก็พึงให้แต่ของของตนฝ่ายเดียวไม่รับของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ความอาฆาตในบุคคล น, นั้นก็จะระงับไปการให้เป็นวิธีแก้ความโกรธที่ได้ผลชงัด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 เป็นเมตตากรุณาที่แสดงออกในการกระทําพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงอนุภาพยิ่งใหญ่ของทานคือการให้ทานนั้นว่าการให้เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังฝึกไม่ได้การที่ยังสิ่งประสงค์ทั้งปวงให้สําเร็จได้ผู้ให้ก็เบิกบานขึ้นมาด้วยการให้ฝ่ายผู้รับก็น้อมรับมาพร้อมด้วยปิยวาจานี่แหละการระงับความโกรธ วิธีสุดท้ายเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าสมเด็จพ่อของพวกเราท่านทรงสอนไว้ละเอียดละออลึกซึ่งยิ่งนักเธออยากจะฟังเรื่องพราษาวกรูปหนึ่งที่ไม่เคยผูกโกรดต่อผู้ใดเลยอยากฟังไหมละ่ะฉันจะเล่าให้ฟังท่านถามคนฟังหลวงพ่ออยากเล่าหรือเปล่ารักครับถ้าอยากเล่าผมก็อยากฟังคนฟังเริ่มยั่ว ถ้าฉันไม่อยากเล่าล่ะเธอจะว่ายังไรคนเล่ายั่วตอบถึงหลวงพ่อไม่อยากเล่าแต่ผมก็อยากฟังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเล่าเธอครับนิมนพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนคนเล่าจึงเล่าแต่โดยดีเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชวตวัารามรพระสาวกชื่อปุณณนะ ได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประธานโอวาทพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมสอนไม่ให้เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าชอบใจเมื่อดับความเพลิดเพลินได้ทุ ก, ก็ดับพระพุณณะกราบทูลว่าท่านจะไปอยู่ชนบทชื่อสุนาปรันตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชาวสุนาปันตะดุร้ายถ้าเขาด่าว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าด่าก็ยังดีกว่าทำร้ายด้วยมือตรัสถามว่าถ้าเขาใช้ก้อนดินทำร้ายจะทำอย่างไรกราบทูลว่าก็ยังดีกว่าใช้ท่อนไม้ทำร้ายตรัสถามว่าถ้าเขาใช้ท่อนไม้ทำร้ายจะทำอย่างไรกราบทูลว่า ก็ยังดีกว่าทำร้ายด้วยสัตร์ตาถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยสัตร์ตาจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าฆ่าด้วยสัตร์ตาที่คมตรถามว่าถ้าเขาฆ่าด้วยสัตร์ตาที่คมจะทําอย่างไรกราบทูลว่าบางคนยังต้องหาคนมาฆ่าแต่นี่ดีที่ไม่ต้องหาเขามาฆ่าให้เอง พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาและตรัสอนุ ญ, ญาตให้พระปุณณะไปอยู่ชนบทที่ชื่อสุนาปรันตะได้พระปุณณะไปอยู่ณที่นั้นได้แสดงธรรมให้พวกมนุษย์ชาวสุนันปรันตะชนบทกลับใจแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากภายในพรรษานั่นเองและตัวท่านก็ได้วิชาสามภายในพรรษานั่นเองเหมือนกัน ท่านพระครูเล่าจบคนเป็นสิทธิจึงพูดขึ้นว่าผมจะจดจำเรื่องราวของระสาวกรูปนี้ไวเป็นอุทาหรณ์จะพยายามทำให้ได้อย่างท่านพูดอย่างมุ่ง ม, มั่นดีแล้วฉันอนุโมทนาแล้วก็เชื่อว่าเธอต้องทำได้เงียบกันไปครู่หนึ่งพระบัวเหียวจึงถามว่าหลวงพ่อครับการแผ่เมตตานั้น เราจะแผ่ให้สัตว์ด้วยจะได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้เล่าเดีย๋ยวว่าแต่สัตว์เลยแม้แต่พืชก็แผ่ให้ได้มีคนเขาทดลองทำมาแล้วได้ผลเกินคาดเจ้าละอย่างไก่บุญรับนั่นน่ะถ้าแกเปลี่ยนจากด่ามาเป็นแผ่เมตตาแกก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับมา้บมากับแมวอย่างนั้นแกโกรธว่ามันไปถ่ายเรี่ยวราดสกปรก ก็เลยไปด่าไปตีมันม้าแมวมันก็มีจิตใจไปทำอย่างนั้นมันก็โกรธเลยแกล้งถ่ายเลอะเทอะใหญ่ถ่ายตัวเดียวไม่พอมันยังไปเที่ยวชวนเพื่อนมันมาถ่ายยายบุญรับแผ่เมตตาให้มันมันก็เลิกถ่ายแล้วละแล้วก็บอกให้เพื่อนเพื่อนมันเลิกอีกด้วยมันเลิกขี้มันก็ตายสิครับหลวงพ่อไม่ตายหรอกฉันหมายถึงว่า มันเลิกขี่เรียรา่าดแต่จะขี่เป็นที่เป็นทางไม่ให้สกปรกเหมือนที่เป็นอยู่ท่านพระครูตอบทั้งที่รู้ว่าพระยวนตั้งใจยวนถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อน่าจะสอนให้แกแผ่เมตตาผมจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงด่าของแกทำไมจะไม่สอนสอนจนไม่รู้จะสอนยังไงแต่แกรับไม่ได้ อุตสาหชื่อบุญรับแต่ไม่ยักกับสิ่งดีๆฉันจัดแกไว้ในประเภททวนกระแสคนบางคนก็สอนยากนะบัวเยียวคนที่มาวัดนี้ไม่ได้แปลว่าจะสอนง่ายหมดทุกคนมันเป็นไปตามกรรมที่เขาทำไว้นะครับพระบัวเยียวว่าทั้งทำมาทั้งทำไปนั่นแหละถึงกรรมติดทำมาจะไม่ดี แต่กรรมที่ทำต่อไปก็สามารถแก้ไขให้มันดีได้แต่เขาก็ไม่ยอมแก้ไขคนประมาทนี้นับวันจะมีมากขึ้นต้องปล่อยไปตามเวียตามกรรมของเขาใช่ไหมครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาละเอาละถึงเวลาทิ่เธอจะต้องกลับไปปฏิบัติแล้วฉันเองก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือเหมือนกันอย่าลืมแผ่เมตตาให้ยายบุญรับละ่ะท่านเตือน ไม่ลืมครับฟังหลวงพ่อพูดผมก็หายโกรธแกไปตั้งครึ่งแล้วผมรับรองว่าจะต้องกำจัดพยาบาทนิวรออกไป จ, จัดจิตให้ได้ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ชี้ทางสว่างให้ผมไปละครับพระหนุ่มก้มลงกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วลุกออกไป